จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกกนยายนพุทธศักราช2551เป็นวันฟังเทศวันฟังธรรมของญาติโยมที่มีจิตใจใฝ่ธรรมปรารถนา ที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านธรรมะเพื่อเป็นการเสริมกำลังแห่งสติปัญญาให้มีความแก่กล้าต่อกา ร, ต, กา ร, ต, การต่อสู้กับความทุกข์ความอยากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายวันนี้จะขอพูดเรื่องทุดงขวัต ธุนงกวัตแปลว่าข้อวัดข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้กับพระภิกษุผู้ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อมรรคผลนิพพานเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ทรงบังคับให ให้เลือกปฏิบัติได้ตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความสามารถของแต่ละรูปที่จะปฏิบัติได้ข้อทุตดกวัินี้มีอยู่13ข้อด้วยกันและเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของปัจจัยสี่ของพระภิกษุและในเรื่องของความบาเพ็ญเพียรเพื่อชำระ ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจมีอยู่3 3มสส่วนด้วยกันส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขบชันส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่องนุ่งหง่มจีวรและเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเกี่ยวกับ ก, บการบำเพ็ญเพียรเป็นข้อปฏิบัติที่ ไม่ได้ส่งบังคับเพาะทรงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างยากเหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะมุ่งสู่การหลุดพ้นจากมรรคผลนผิพพานโดยถ่ายเดียวจึงสามารถจะปฏิบัติได้จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างสะดวกสบาย ตัดภาระความกังวลต่างๆที่คอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้ไม่ให้หลุดพ้นได้ข้อรแรกที่อยู่ในกลุ่มของเรื่องของการขบฉันก็คือการถือการบินทบาทเป็นวัดหมายความว่าจะออกบินทบาททุกวันถ้าจะฉันยกเว้นในกรณีที่จะ อดอาหารไม่รับประทานอาหารในกรณีนั้นก็ไม่ต้องออกบินทบาตแต่ถ้าวันไหนจะฉันก็จะฉันจากอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทเท่านั้นจะไม่ฉันอาหารจากการมีญาติโยมนํเอามาถวายให้ที่กุฏิหรือจากการไปสั่งให้ลูกศิษย์ลูกค้า ไปซื้ออาหารชนิดต่างๆมาขบมาฉันถ้าวันไหนไม่บินธบาตวันนั้นก็ถือว่าจะไม่ฉันอาหารจะอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรถ้าวันไหนจะฉันวันนั้นก็ต้องออกไปบินธบาตไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรก็ตามถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆสามารถไปได้ก็จะไป ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปได้ท่านก็ไม่ไปบางท่านถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปบินตบาดวันนั้นก็จะไม่รับอาหารจะขออดเพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียร น, นี่คือข้อแรกคือข้อการบินตบาดเป็นการช่วยให้พระมีความขยันหมั่นเพียร ช่วยความช่วยกำจัดความเกลียดครานถ้าไม่มีข้อนี้แล้วเวลาวันไหนนอนดึกตื่นสายก็จะไม่ไปบินทบายแล้วก็จะหาอาหารด้วยวิธีอื่นหาตามกุติของพระรูปอื่นบ้างหรือไม่มีก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อหามาให้รับประทานบ้าง การกระทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นการเสริมความความก้าวหน้าในทางธรรมะแต่เป็นการเสริมความก้าวหน้าทางกิเลสทำให้จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนล้วนถือข้อการบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ตลอดชีวิตแม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยึดข้อบิณฑบาตมาตลอดชีวิตเป็นหนึ่งในพุทธกิจหาพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือการออกบิณฑบาตตอนเช้าตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมตอนค่ำก็อบรมสั่งสอนพระภิกษุษสา ม, มเณรตอนดึกก็อบรมสั่งสอนเทพเทพทั้งหลายและตอนก่อนจะสว่างก่อนที่จะออกบิณฑบาตก็ทรงเรงยานดูสัตว์โลกว่า มีผู้ใดเหมาะกับการที่จะไปโปรดธรรมะก็จะมุ่งไปที่บุคคลนั้นในวันในวันลูบขึ้นนี่คือภารกิจห้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งและทรงปฏิบัติตลอดเวลา45พระพันสาด้วยกันหนึ่งในข้อนี้ก็คือการถือการบินทบาทเป็นวัด เป็นทรงเป็นผู้ที่ทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อพระภิกษุทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารบกราบไหว้บูชาทุกลูกท่านก็จะถือการบิณฑบาตเป็นวัดอยู่เสมอไม่ขาดยกเว้นท่าสุดวิสัยจริงๆบางท่านถึงแม้จะเดินไม่ได้ก็ยังบิณฑบาตด้วยการนั่งอยู่ในรถเข็นให้ลูกเสีย์เข็นรถออกไปบิณฑบาต บางท่านมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปรับภารกิจกิจนิมนต์ท่านก็ยังออกบินทบาทกร่อนแล้วค่อยไปทำกิจนิมนต์นั้นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทุกลูกให้ความสำคัญกับการบินทบาทนี้อย่างมากเพราะเป็นการแสวงหาเลี้ยงชีพที่ ที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดสำหรับนักบวชทั้งหลายมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับนินมนต์ไปโปรโดในวังของพระราชบิดาตอนที่เดินเข้าไปในวังก็ถือโอกาสบิณฑบาตเปิดโอกาสให้สัตว์โลกให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ทำบุญตักบาตรพอพอข่าวทราบไปถึงพระเจ้า สุธโธธนะพระราชบิดาก็ทรงมีความโกรธเพราะคิดว่าทรงทำตนเป็นเหมือนขอทานทำให้เสียหายต่อราชวงศ์ที่เป็นที่เป็นกษัตริย์ที่มีเงินทองมากมายทำไมจะต้องไปขอทานด้วย <S <S <S <S เมื่อทรงพบพระพุทธเจ้าก็ทรงกราบทูลถามว่า ทำไมพระองค์จึงปฏิบัติตัวอย่างนี้ไม่เหมาะสมกับฐานะของกษัตริย์เลยพระพุทธเจ้าทรงตอบไปว่าเรากำลังปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของวงของอริยะวงทั้งหลายคือพระพุทธยาพระพุทธเจ้าทุกรูปพระอริยสงสาวบทุกรูปในอดีตก็ถือการบิณฑบาตเป็นวัดมาตลอด พระพุทธเจ้าทรงอธิบายให้ฟังท่านจึงเข้าใจว่าการบิณฑบาตของพระนี่ไม่ได้เป็นการขอทานไม่ได้การเป็นการลดศักดิ์ศรีฐานะของตนให้เป็นเหมือนขอทานแต่เป็นการเลี้ยงชีพของสัมมณะที่ถูกต้องเพราะเป็นการสร้างความเพียรเป็นการหัดให้อยู่แบบมักน้อยสันโดด ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ให้ยินดีให้พอใจกับสิ่งที่ได้รับมาไม่ให้เจ้จชี้ชจุดจิตเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินต่างๆมีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดและเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะท้ายอยากจะทำบุญจะได้มีโอกาสทำบุญด้วยเพราะผู้ที่อยากจะทำบุญก็อยากจะเลือกทำกับคนดีๆ จะได้บุญมากมากนั่นเองถ้าได้ถ้าทำกับคนไม่ดีก็ไม่อยากจะทำถ้าไม่ได้ทำบุญเขาก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเขาก็จะไม่ได้รับอาหารทางด้านจิตใจที่จะช่วยทำให้จิตใจเขามีความสุขมีความเจริญมีความสูงขึ้นดังนั้นการบิณฑบาตของพระจึงเป็นการทำประโยชน์ทั้ง สำหรับตนเองและกับผู้อื่นไม่ได้ทำประโยชน์เพียงเพื่อตนเองโดยฝ่ายเดียวผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากการบิณฑบาตของพระด้วยก็บิณฑบาตนี้จึงเป็นถือข้อที่สำคัญที่สุดของพระภิกษุทั้งหลายที่ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันอาหารก็คือการฉันในบาตรเรียกว่าฉันภาชนะเดียวคือจะไม่ใช้สำรับต่างๆเช่นถ้วยชามช้อนอะไรมาใส่อาหารอาหารต่างๆที่ได้มาก็จะใส่ลงไปในบาตรวิธีใส่ไปก็มีอยู่สาวิธีด้วยกัน วิธีแบบธรรมดาพื้นพื้นก็คือแยกอาหารไว้เป็นส่วนๆข้าวไว้มุมหนึ่งกับข้าวไว้มุมหนึ่งของหวานผลไม้อะไรก็ไว้อีกมุมหนึ่งหรือ น, นี่เป็นกา ร, รการปฏิบัติแบบพื้นพื้ น, นธรรมดาวิธีที่สองก็คือไม่แยกอะไรมีอะไรตักใส่เข้าไปในบาตรก็ใส่เข้าไป ข้าวจะอยู่ตรงไหนก็ได้กับข้าวจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะของหวานจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่จัดการปล่อยให้เป็นไปตามความสบายทั้งผู้ใส่บาตรเองและผู้ผู้ฉันเองไม่เดือดร้อนส่วนขั้นที่สก็คือไม่ว่าอาหารจะอยู่ในบาตรในรูปแบบใดก็จะคนจะคลุกมันให้กลายเป็นอาหารชนิดเดียว เหมือนกับเวลาที่เราผัดข้าวเอาข้าวเอาเอาเนื้อเอาผักเอาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ผัดคนมันเข้าไปให้มันเป็นข้าวผัดอาหารในบาทก็สามารถทำเป็นข้าวผัดได้ด้วยการผสมอาหารและของทั้งของข่าวและของหวานผลไม้รวมกันให้เป็นเหมือนกับอาหารชนิดเดียวเพราะ ท่านถือหลักว่าในที่สุดแล้วอาหารทั้งหลายนี้ก็จะลงไปรวมกันในท้องอยู่ดีไม่ว่าจะแยกกันอย่างไรจะรับประทานการตามลำดับใดก็ตามพอมันเข้าไปในท้องแล้วมันก็ไปอยู่ในที่เดียวกันมันสำเร็จประโยชน์ตรงนั้นอาหารไม่ได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่อยู่นอกปากนอกท้อง มันจะสำเร็จประโยชน์ได้ต่อเมื่อมันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพิถีพิถันวุ่นวายกับการจัดการอาหารแยกแยะให้มันเสียเวลาเวลาไปเปล่าเพราะในที่สุดมันก็จะต้องลงไปกองรวมกันในท้องอยู่ดีนี่คือการรับประทานอาหารที่เรียกว่าภาชนะเดียวชั้นในบาท ข้อต่อมาก็คือการฉันเพียงครั้งเดียวคือพอเริ่มพอได้อาหารใส่บาตรแล้วเริ่มฉันแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งจะฉันจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเมื่ออิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ฉันอีกในวันนั้นจะฉันอีกครั้งก็ในวันต่อต่อมา หลังจากที่ได้ออกไปบินตบาตแล้วกลับมาฉันต่อนี่คือเรียกว่าฉันหนเดียวหรือฉันมือเดียวที่เรียกว่าฉันเอกาข้อต่อมาก็คือการไม่รับอาหารนอกเหนือจากอาหารที่ได้จากการบินตบาตเท่านั้น mm hmm. เวลากลับมาถึงวัดแล้วมีญาติโยจรรมจะนำเมากับข้าวกับปลาอาหารมาถวาย อย่างที่ญาติโยมทำกันในวันนี้ถ้าพระท่านถือธุดองข้อนี้ก็ท่านจะไม่รับอาหารท่านจะเอาผ้าปิดบาดไว้ท่านจะรับแต่อาหารที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาตเท่านั้นเพราะท่านต้องการที่จะฝึกหัดให้มีความมักน้อยสันโดษอาหารที่ได้บิณฑบาตกับอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนี้จะมีความแตกต่างกัน อาหารที่นบินธบาศจะใส่ถุงใส่หอมาส่วนอาหารที่ญาติโยงนำมาถวายจะจัดใส่จานจะแยกแยะอาหารชนิดต่างๆไว้กันให้ดูสวยงามท่านไม่ต้องการที่จะต้องวุ่นวายกับเรื่องอาหารมากจนเกินไปท่านก็จะถือการไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมา ที่วัดแล้วจะรับแต่อาหารที่ได้จากการบิณฑบาตเ ท, ท่านั้นการปฏิ บ, บัติข้อธี่ดองวัดเหล่านี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับการละเทสะเหมือนกันถ้าอยู่วัดที่ไม่มีการปฏิบัติเราไปปฏิบัติตามลำพังก็อาจจะกลายเ ป, เป็นเป็นเป้าของผู้อื่นได้หรือถ้าเราไปอยู่วัดที่เขามีการปฏิบัติกันแล้วเราไม่ปฏิบัติเราก็จะเป็นเหมือนแกะดำ เข้าฝู่กับเขาไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติขอ้อทุนดวงกวัดก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมบางวัดถือการบินทบาทถือการฉันมือเดียวถือการฉันในบาตถือการไม่รับอาหารหลังจากการบินทบาทแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเขาไปเพื่อจะได้มีความเสมอภาคในการปฏิบัติ ไม่ทำให้เกิดความร้อนสั่งร้อนสายทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นี่คือเรื่องข้อวัดที่เกี่ยวกับการขบฉันแล้ยังมีข้อวัดที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็มีข้อที่ถือจะอยู่เสนาสนะป่าคือกุฏิที่พักอาศัยจะต้องอยู่ในป่าจะไม่อยู่ในบ้านในเมืองนี่ก็คือข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งก็คือจะอยู่โคนไม้คือจะไม่ใช้เสนาสนะอยู่ในป่าแล้วแต่จะไม่ปลูกกุฏิจะหาอยู่ตามโคนไม้หรือตามถ้าอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าข้อที่ถืออยู่โคนไม้และก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือจะอยู่ตามมีตามเกิดตามที่เขาจัดให้ เช่นเดินทางไปอยู่วัดไหนพักที่ไหนทางวัดเขาจัดให้อยู่กุฏิที่ตรงไหนก็ยินดีตรงนั้นไม่เลือกไม่ขอเปลี่ยนกุฏินี่คือข้อธุโธงขวัดของผู้ที่มีความแน่ว แ, แน่มั่นคงต่อการหลุดพ้นจากการเวรว่าตายเกิดท่านไม่ต้องการที่จะมาติดกับเรื่องการอยู่การกินเนี่ย ส่วนข้อที่เกี่ยวกับข้อเครื่องนุ่งห่มก็มีการถือผ้าสามผืนถือผ้าไตคือจะไม่ถือผ้ามากไปกว่านั้นผ้าจีวรที่มีอยู่หนึ่งสำนักหนึ่งชุดคือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนเป็นเรียกว่าเรียกว่าผ้าไตาน้นี้จะถือเพียงหนึ่งชุดเท่านั้น จะไม่ถือมากไปกว่านั้นถึงแม้จะมีศรัท ธ, ธายาโยถวายมาให้เพิ่มอกีกเพื่อจะได้สับเปลี่ยนก็จะไม่เอาจะใช้เพียงผ้าคลองสามผืนนี้เท่านั้นยกเว้นผ้าที่จะต้องใช้อาบ น, าน้ำที่เรียกว่าผ้าอาบน้าฝนและผ้าสบาที่เรียกว่าผ้าอังสรอย่างนี้ก็ใช้ไปตามเท่าที่จําเป็นแต่ผ้าคลองหลักคือผ้านุ่งผ้าห่ม ผ้าผมกันหนาวนี่จะใช้เพียงสามผืนเท่านั้นจะไม่ใช้มากไปกว่านี้จนกว่าผืนใดผืนหนึ่งขาดไปถึงจะเปลี่ยนถ้ายังใช้ได้อยู่ก็จะใช้ไปเรื่อยๆเพื่อความอยู่แบบเรียบง่ายสะดวกสบายไม่ต้องมาคอยกังวลรักษาผ้าให้มากไปเกินความจำเป็นมีไห ม, มีหลายผินก็ต้องคอยซักอยู่เรื่อย ต้องคอยหาที่เก็บถ้าไปอยู่ในป่าเดินไปก็จะลําบากไปยุพะที่ทุดงในป่านี้ท่านจะถือผ้าสามผืนเท่านั้นเพราะไหนจะต้องเดินทางในป่าจะต้องแบกผ้าแบกบาตแบกกลดแบกสิ่งต่างๆถ้ามีผ้ามากๆไปไหนมาไหนมันก็จะลําบากท่านก็เลยถือเพลผ้าเพียงสามผืน อีกข้อหนึ่งก็การถือผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี้หมายถึงผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเช่นผ้าหอ่อศพหรือผ้าของคนตายหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะคือไม่ต้องการใช้ผ้าใหม่ใช้ผ้าดียินดีกับเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็ไปเก็บเอามาผสมรวมรว ม, รวมเอาไว้ พอได้จํานวนพอที่จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรได้ก็จะเอามาตัดเย็บด้วยตนเองแล้วก็จะนําออกไปซักย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ต้มด้วยแก่นไม้เช่นแก่นขนุนเป็นต้นนี่คือการอยู่แบบเรียบง่ายของพระผู้ปฏิบัติไม่คอยมานั่งรอผ้าที่เขาตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว พรที่เป็นสำรับมาทั้งชุดผ้าไตยอย่างที่เราถวายพระกันในสมัยนี้พระที่ถือข้อทุดมงข้อนี้ก็จะไม่ยินดีท่านอาจจะรับไว้เป็นการฉลองศรัทธาเพื่อไม่ให้เสียแก่มมรยาตแต่เมื่อรับไปแล้วก็จะเอาไปทำบุญต่อส่วนตัวท่านเองก็จะ ถือผ้าบางสกุลผู้คนที่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติข้อนี้มาในอนดีตที่เคยได้ยินมาก็คือพระอาจารย์มั่นภูริตาโตท่านเคยถือข้อตุดงขวัดนี้มาจนถึงวัยชราจนท่านไม่สามารถจะถือได้ต่อไปท่านจึงหยุดเนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมที่อยากจะถวายผ้าให้กกบท่านมาก ท่านก็เลยฉลองศรัทธาเข้าไปแต่ในสมัยที่ท่านมีมีกำลังวังชาท่านอยู่ในป่าท่านจะถือแต่ผ้าบางสกุลนี้เป็นวัดนี่ก็คือที่เรื่องที่เกี่ยวกับผ้าและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรคือที่เรียกว่าเนสัชชิจะถือสามอิเลยาบทคือยืนเดินกับนั่ง จะไม่นอนจะบำเพ็ญอยู่ในสามียาบกนี้ถ้าจะหลับก็ให้หลับในท่าใดท่าหนึ่งในสารท่านี้ยืนหลับนั่งหลับแต่จะไม่ยอมนอนหลับเพื่อจะได้ไม่นอนมากเกินไปเพราะนั่งหลับนั่งไม่นานเดี๋ยวมันก็ตื่นพอตื่นนะก็จะได้บำเพ็ญปฏิบัติต่อไปได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิต่อไป ถ้านอนแล้วมันจะติดยาวนานนอนแล้วมักจะไม่อยากจะลุกตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ยอมลุกแล้วก็กลับไปนอนต่อก็จะทำให้เสียเวลาต่อการเดินทางที่จะต้องเดินไปอันยาวไกลนี้แต่ถ้าถืออิริยาบถทั้งสานี้ก็จะทำให้การปฏิบัติคืบหน้าไปได้อย่าง รวดเรวพระอาหารหันต์ทั้งหลายในอดีตหรือพระอาหารหันต์ในปัจจุบัน ล, ล้วนปฏิบัติทุดงเขววัตรทั้งนั้นไม่มีรูปใดเลยที่ไม่ได้ปฏิบัติทุดงเขวัตรข้อใดข้อหนึง่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิบัติทุกข้อไปทุกรูปแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความถนัดบางรูปท่านไม่ถนัดต่อการถือในสัชชิก ท่านก็ถือการอดอาหารเป็นการเล่นความเพียรแทนก็มีคือบางรูปท่านถือในสัจจิกแล้วท่านง่วงนอนก็ไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ถ้าท่านอดอาหารแล้วท่านจะมีความกระตือรือรน้นมีความตื่นตัวเมื่อง่วงเหงาเหานอนเวลาอดอาหารแล้วจะมีความขยันที่จะนั่งสมาธิ ที่จะเดินโจงโกองที่จะปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วความหิวนี้จะทรมานจิตใจมากความหิวส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดจากความหิวของร่างกายแต่เกิดจากความหิวของใจที่คิดแต่เรื่องอาหารพอคิดถึงเรื่องอาหารแล้วก็อดหิวไม่ได้อดน้ำลายไหลไม่ได้ ท, ท, ทั้งๆ้ที่บางทีรับนะประทานอาหารเสร็จไปใหม่ พอคิดถึงอาหารหรือขนมขึ้นมาก็หิวก็อยากจะรับประทานอย่างแล้วทั้งๆที่เพิ่งรับประทานเสร็จไปใหม่ๆนี่เป็นความหิวทางด้านจิตใจที่เราสามารถระ ง, งับได้ด้วยการทําจิตใจให้สงบถ้าเรากาหวดพุทโธพุทโธไปไม่ให้ใจิตคิดถึงเรื่องของอาหารไม่นานจิตก็จะรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วความหิวที่เกิดจากความคิดเรื่องอาหารก็จะหายไปจะเห็นชัดเลยว่าความหิวของเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันความหิวทางร่างกายและความหิวทางด้านจิตใจความหิวทางด้านจิตใจนี้ทรมานมากส่วนความหิวทางร่างร่างกายนี้ไม่ทรมานเพียงแต่รู้สึกวิววิวอ่อนเคลียบ้างเท่านั้นเอง แต่ไม่ทรมานหนืนกับความหิวทางด้านจิตใจผู้ที่สามารถทำจิตใจให้สงบได้ในขณะที่อดอาหารจึงมักจะอดได้หลายวันโดยไม่รู้สึกวุ่นวายใจทรมานใจแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าทร ง, ทรงอดพระกายอาหารได้ถึง49วันด้วยกันในขณะที่เร่งทางความเพียรเพียงแต่พระองค์ไม่ได้เจริญทางด้านปัญญา เพียงแต่ทาจิตให้สงบจึงไม่สามารถที่จะตัดสรลูพระอนุตตรสังเมาสัมมาสัมโพธิญาณได้จึงต้องย้อนกลับมาสวยพระกายอาหารแล้วก็มาบําเพญ็ญสมถะและวิปัสสนาจึงจะสามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ <c oughs> การ <c oughs> อดอาหารถ้าอดอาหารเฉยๆก็ไม่ควรอด พราะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้รับประโยชน์ร่างกายก็ไม่ได้รับประโยชน์จิตใจก็ไม่ได้รับประโยชน์นอกจากผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องลดอาหารลดน้ําหนักเพราะมีน้ําหนักเกินมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างนี้การลดอาหารการอดอาหารก็จะเป็นประโยชน์ได้แต่ผู้ที่มีร่างกายเป็นปกติถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะลดอาหารนอกจาก อดอาหารลุรลดอาหารเพื่อการบำเพ็ญความเพียรเพื่อจะได้บังคับให้ปฏิบัตินั่งสมาธิพอเมื่อได้นั่งสมาธิแล้วก็จะสามารถระงับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความหิวได้นี่คือเรื่องของทุดงควัตรคือข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยสี่ของพระภิกษุหรือของนักบวชไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าเป็นสมณนาเพศหรือเป็นคารวาสสามารถนำเอาไปใช้ปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านแต่ละองค์ถ้านำเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเติมน้ำมันชนิดพิเศษน้ำมันก็มีหลายชนิดด้วยกันน้ามันแบบธรรมดาและน้ำมันที่มีความสามารถพิเศษ ทำให้รถวิ่งเร็วได้กว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นทุดดงควัตนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำมันพิเศษที่จะขับให้จิตใจนั้นได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วสู่จุดหมายปลายทางที่จะต้องการจะไปนะการปฏิบัติพุดดวงควัตเหล่า น, นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยหรือยากเย็นจนเกินไปเพียงแต่ ต้องให้เห็นคุณของการปฏิบัติเท่านั้นว่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่เคยปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลไ ม, ไม่รู้ถึงผลอันดีของการปฏิบัติทวดงคะวัตรเหล่านี้ก็จะคิดว่าเป็นการปฏิบัติที่เคร่งเกินไปหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้ว นำมาสั่งมาสอนนำมาเล่าให้ฟังผู้ใดได้ยินได้ฟังจากปากของท่านแล้วก็จะเข้าใจจะเห็นคุณของการปฏิบัติข้อทูมขวัเหล่านี้และก็จะนำไปปฏิบัติและได้รับผลที่ดีตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติข้อทดงขวัเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพิพจารณา และกลับใช้กับตนเองตามแต่ฐานะและความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เพื่อประโยชน์สุขของจิตใจที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธประธันพระสงค์